ก็ให้สังเกตนะแต่ละวันที่เราฝึกขัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยในการที่จะมาเจริญทานกุศลฝึกฝนในการเจริญศีงกุศลเป็นต้นก็ลองมาสังเกต ด, ดูนะว่าสภาพความคิดของเราเนี่ยมันอ่อนโยนขึ้นหรือไม่ก็ดูทางด้านกายการแสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางด้านจิตใจก็ลองดูที่ว่าตั้งแต่วันแร ก, แรก แล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยสภาพจิตใจของเรามันยังปิดข้อมูลคําสอนของพระเจ้าอยู่หรือไม่หรือพร้อมที่จะเปิดรับฟังข้อมูลกันเต็มที่อะไรเงี้ยเนี่ยก็ดูสภาพจิตใจตรงนั้นแต่ถ้ามันมีสภาพจิตใจที่ปิดไม่อยากรับข้อมูลหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายมากอันนั้นบ่งบอกว่าเออสภาพจิตใจของเราเนี่ยไม่พร้อมอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเราก็ต้องมาแก้ไขจัดการตัวเองนะคณะพระ ที่นําพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้ามาบอกข่าวก็ก็ทำหน้าที่ของตนเองแต่เราในฐานะเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาเนี่ยต้องไปดูในทะเบียนบ้านเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาแปลว่าอะไรเขาแปลคู่เข้าไปนั่งใกล้พระราตนไตรคําว่านั่งใกล้ในที่นั้นก็คือลองดูที่ว่าเราปฏิบัติต่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสง์สงในสังฆมณฑลเนี่ย เออเราปฏิบัติต่อท่านด้วยเมตตากายกรรมไหมต่อหน้าและรับหลังแล้วก็เมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังแล้วก็น้อมเข้าหาในการที่จะฟังธทำจากท่านด้วยความเคารพจริงๆอันนี้ก็มาตรวจสอบคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาคือเป็นอย่างนั้นไหมและเมื่อเข้าหาหรือฟังพระธรรมไปเสร็จเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าอัตยาสาัยของพวกเราบางทีไม่คุ้นนะเนาะ ไม่คุ้นในการที่จะรับข้อมูลคำสอนกันอย่างต่อเนื่องทีนี้ท่านในสมัยรั้งพุทธการเนี่ยแปลว่าเขาฟังธรรมะทุกวันวันและตั้งหลายหลายรอบแล้วก็เห็นพระสงฆ์ทุกวันแต่วิถีชีวิตสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแทนที่เราจะมีโอกาสเข้าวัดทุกวันก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเลย สมัยครั้งพุทธการก็จะทํางานตอนกลางวันพอตอนเย็นก็จะเข้าวัดฟังธรรมอันนั้นคือสังคมของอารยาชนเขาอารยาชนเขาจะเข้าเขาจอมาเข้าฟั ง, ฟงธรรมะทุกเย็นเลยนะตอนวันเขาก็ทํางานกันแต่ในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเรามาทํางานกลางวันแต่กลางคืนก็รีบกลับบ้านแล้วห่วงแล้วห่วงทรัพย์แล้วห่วงบุตรแล้วห่วงภรรยาแล้วห่วงสามีแล้วห่วงอะไรเยอะแยะเป็นเศษหมด อ น, นี้สภาพสังคมมันก็เลยสภาพจิตใจเราก็เลยไม่ได้ยึดโยงกับพ ร, ราชนะไตรัยจริงๆอันนี้คือช่องว่างก็ห่างมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะเราก็ทําบุญกันเพียงแค่กิจกรรมนะสังเกตดูไอมกิจกรรมแค่นั้นเองบางครั้งวันพระแทบจะหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้ไปทําบุญกันแล้วมันทีลืมด้วยซ้าไปวันไหนเป็นวันพระเสาร์อาทิตย์หยุดตามออสากลโลกเขาเราก็ไม่ได้เข้าวัดฟังธรร เราก็ไปเที่ยวกันหรือไปอะไรกันทุกวันนี้เลยกลายเป็นห่างไปหมดแล้วมันไม่ใช่ห่างแต่ตัวนะสภาพจิตใจเราก็ห่างพระดานะไตรทีนี้ยมลองสังเกตดูนะว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจิตใจเราเฟิง้าง ม, มากเราไม่มีหลักยึดที่ถูกต้องเลยตอนนี้บางครั้งเราก็เอาความคิดไปผูกยึดไว้กับบุตรกับภรรยากับญาติมิตรบางทีก็มายึดไว้กับอาคารเนี่ย เนี่ยอาคารหลังเนี่ยหรือโรงเรียนเนี้ยซึ่งไม่ใช่สารณะเลยแต่เราคิดถึงเขามากใจเราไม่เคยน้อมถึงสารณะที่แท้จริงหรือสาธรณะที่ถูกต้องเลยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยสภาพจิตใจเราว้าเวมากแล้วก็หงอยเหงามากก็เศร้าเศร้าซึมมากและที่สุดจริงๆทุกวันเนี่ยภาวะของโลกจิตโลกประสาทก็เต็มไปหมดแล้วเราก็แก้ปัญหากันไม่ได้สภาพสังคมไทยตอนนี้นะ ถ้าเราไปดูโรงพยาบาลจิตเวชหรือจิตปตระสาททั้งหลายเหล่านี้เต็มไปหมดทุกโรงพยาบาลแอาอาัดหมดหมอคนหนึ่งต้องรับคนไข้ประมาณร้อยกว่าคนต่อ ว, วันถ้าหมอที่มีความชำนาญระดับอาจารย์หมอต้องรับเกือบ200อคนต่อ ว, วันนี่คืออะไรเนี่ยคือสภาพสังคมที่เราห่างเหินจากพรรัตนรใจใช่หรือไม่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ข้างหน้ามันคือเขียวนะ ที่เราทำกันเนี่ยข้างหน้ามันคือหิวก็คือเราจะเดินไปเพื่อจะไปตกหิวแล้วก็ประสบความเสียหายเนี่ยคือคือสภาพที่เราตามวัฒนธรรมต่างชาติเขาไงทั้งๆั ท, ง ท, งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอยู่แต่การละเลยของพวกเราที่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยต้องประสบปัญหายุ่งยากตามมาอีกเยอะเราก็แก้ปัญหายาวชนก็คือเด็ก คือนักเรียนไม่ได้จริงเพราะเราไม่เคยเอาคําสอนของพระเจ้านำมาไว้ในใจเราแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและเราก็ไม่เคยแก้ปัญหาบุตรภรรยาสามีญาติมิตรของเราได้จริงก็มีแต่การหวาดระแวงกันใช่ไหมให้สังเกตดูไหมนะบางครั้งสามีออกจากบ้านแล้วก็นึกหวาดระแวงเหมือนกันว่าเขาจะไปมีใหม่หรือเปล่าภรรยาออกจากบ้านสามีก็หวาดระแวงเหมือนกันว่าเขาจะไปมีใหม่หรือเปล่าอันนี้บ่งบอกถึงอะไร บ่งบอกถึงคุณภาพในทางด้านจิตใจในชั้นของทานกนุศลโดยเฉพาะศีลกุศลมันก็ไม่มีเหลือแล้วนี่ไงคือความเสียหายตามมาเราก็อยู่เพียงแค่วิตกกังวลลองสังเกตดูทีว่าเราแทบจะไว้ใจกันไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าช่องว่างมันก็ห่างมากขึ้นมากขึ้นนี่ไงโทษของการไม่เข้าหาพระรัตนตรัยและที่สุดจริงๆเราก็เราก็จะประสบความเสียหาย ทีนี้ถ้าเรามองเห็นปัญหาและมองเห็นว่าภัยที่มันจะมาถึงเนบข้างหน้าเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ใจเรายึดโยงกับพระรัตนตรยัยทุกวันนี้ก็ถือว่ากลุ่มที่ยังมีความยึดโยงกับพระรัตนตรัยอยู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อาศัยธรรมะที่เรารับไปนี่แหละไปฟังในบ้านบ้างไปฟังบ้างแต่การฟังก็ไม่ค่อยได้อัดทรอเท่าที่ควรแล้วแต่เนี้ย เหตุผลก็เพราะว่าไปเปิดฟังใจเราก็เบาไปเยอะมากมันไม่ได้ขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยอัตภาพตนเองในการที่จะน้อมเดินไปที่วัดหรือไปฟังธรรมเราจะทํากิจกรรมอย่างเดิมก็ไม่ได้ตามวัดวารามต่างๆก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิธีการวิธีคิดและการกระทําไปเบีดเสร็จหมดแล้วนี่คืออะไรถ้าพาไปบิญทบาตเราจะสังเกตได้ว่า ยอมก็ไปซื้ออาหารใส่ใส่ๆ่ใสกันแค่นั้นแหละที่จะมีการมาไข่ครวนมาตรึกมาพิจารณาให้เป็นโภชนะอันปราณีตก่อนกระทาก็ดีใจขณะทําเรื่อมใสยให้แล้วก็ปลื้มใจหรือทําปุบพระเจตนาก่อนกระทำเนี่ยปรุงแต่งอาหารทําอาหารในปราณีตบรรจงทําด้วยมือของตอนเองวิจิตบรรจงพิจารณาไข่ค ร, ครวนก็หมดก็มีแต่รีบเร่ง ถ้าถามโยมลองดูที่เนี่ยเขาเขานั่งรถเช้าขึ้นมาต้องรีบเร่งเขาไปทำอะไรกันเขาไปหาทรัพย์นยโยมนะเนี่ยแล้วมันหากันจบกันสิ้นไหมชีวิตเนี่ยมันไม่เคยทำให้คนเราขยันเนี่ยมันรวยขึ้นได้จริงๆเลยเนะประเทศชาติก็ยังขาดตุนอยู่นั่นแหละ mm hmm. เศรษฐกิจเราไม่สามารถที่จะทำงบประมาณสมดุลได้นั่นคืออะไรเนี่ยคือประเทศมันจนทุกประเทศเป็นไปอย่างนี้ ยมเชื่อหรือยังว่าขยันน่ยมันไม่ได้ได้ทรัพย์ทรัพย์มันไม่ได้มาจากขยันเดิมปัจจัยเดียวแต่ทรัพย์น่ยมันมาจากทานกุศลมีความเข้าใจในเรื่องของการเดินทานกุศลที่มีความเข้าใจอย่างดีแล้วแล้วมีศีลกุศลสภาพสังคมมันถึงจะไม่แตกแยกอันนี้เราก็รู้อยู่นะว่าถ้าหากเรามาตรึกหรือศึกษาคําสอนจริงๆเราจะรู้เลยว่าช่องทางหรือทางดําเนินของพวกเราเนี่ยมันเดินไปหาอะไร เขาเดือดร้อนกันมากนะวันๆให้สังเกตดูไหมเขาหน้าเนี่ยวคิ้วขมวดเขาไม่มีความสุขเลยนะพอตื่นขึ้นมาเขาก็เริ่มรับภาวะของความเครียดกลับไปเขาก็ล้าตอนกลางเย็นก็ล้าไปบีบไปนวดไปอะไรกันเนี่ยภาวะความเครียดทั้งนั้นหลยที่มันเกิดขึ้นนี่ไงโทษของการไม่เข้าหาพระรัตนตรยัยการไม่เดินตามพุทธโอวาทไม่เดินตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเราไม่เคยเอาแบบของอริยชนอริยชนในสมัยก้างพุทธกาลมาขึ้นมาดูว่าท่านเหล่านั้นทำอะไรกันหรือกลุ่มกัลยาณนะ์นบุรุชนเนี่ยที่เขาพัฒนาจากอันท่าบุรุชนคือคนที่มืดบอดแล้วเข้าไปพุ่สู่การผู้เตรียมในการที่จะเข้าไปศึกษาหรือฟังคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเขาเตรียมตัวกันอย่างไรเขาคบ เขาคบสัตว์บุรุษยังไงก็คบกาแลยาณมิตรอย่างไรก็าคบพทธเจ้าคบสาวัของพระเจ้าและเขามีศรัทธาน้อมไปที่จะฟังทำอย่างไรและในขณะที่ฟังเขาก็ตั้งความฉลาดคิดตั้งโยนิโมสมนตริการใส่ใจถูกปลุกเรา้าคุณธรรมตนเองให้ขึ้นมาสู่ในใจเขาก็ล่าเริงแล้วก็ผองใสได้จริงเห็นไหมทั้งหมดเป้าหมายคืออะไรเขาจะได้ปฏิบัติให้ถูกหลักคือที่ ทุกวันนี่เขาปฏิบัติไม่ถูกก็ถึงประสบปัญหาที่ปฏิบัติไม่ถูกเพราะเขาคิดไม่เป็นที่เขาคิดไม่เป็นเพราะเขาไม่ฟังธรรมที่เขาไม่ฟังธรรมของพระเจ้าก็เพราะว่าเขาไม่ครบพระพุทธเจ้าไม่ครบสาวกของพระพุทธเจ้าทําไมเขาไม่ครบเพราะเขาไม่มีศรัทธาเห็นไหมเขาไม่มีศรัทธาตรงนี้เราก็ตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยขึ้นเสียแล้วเราก็จะได้ ผลอัธยาศัยของเราให้เข้าถึงคําสอนถ้าเรารู้ว่าเดียถ้าคนมีปัญญารู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันเสียหายเนี่ยก็ต้องแก้ไขก็ทําปัจจุบันในเหตุให้ชัดเส้เอาแล้วพวกเราก็พยายามอยากจะตั้งใจที่จะทํากันตั้งใจก็อยากให้ล้มเหลวการตั้งใจเปลี่ยนความคิดเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากไม่ง่ายหรอกต้องมีหลักแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะ โยมก็จะประสบประสบสิ่งที่เป็นความทุกข์ของโยมเองแต่ถ้ายอมคิดว่าเอาละไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่โยมประสบโยมก็จะรู้แล้วก็จะเออพระเคยติ้งไว้เป็นอย่างนั้นจริงเราไม่เคยแก้ปัญหาได้จริงเลยเราประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดเวลาเลยอันนั้นคือพระเจ้าเตือนจะทดลองก็ได้ว่าเอาละเราจะทําอย่างที่ใจที่เราคิดเราจะไม่ทําอย่างแบบฉบับที่พระเจ้าว่า มันก็มีช่องทางของความเสียหายตามมาอันนั้นแต่ถ้าจะเดินตามพุโตว่าเดินตามคําสอนก็ต้องฝึกก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าไม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็ไม่เปลี่ยนแต่ไม่ใช่ไปให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแต่ตัวเราไม่เปลี่ยนไม่ไปทางดำได้พฤติกรรมเก่าวคือกุศลหรือพรัลทนาไตรต้องสามารถอยู่ในกระแสะความคิดเราได้ก่อนมันถึงจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้ไม่มีใครประสบความสําเร็จในการที่จะไปจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ก็พังกันเดแถวปเป็นแนวทุกวันนี้ก็เดือดร้อนแต่จะประสบความสาเร็จได้ก็คือการเปลี่ยนตัวอเองให้เป็นกุศลจริงๆและเมื่อคุณภาพของกุศลมีพลังเต็มที่สิ่งแวดล้อมถึงจะเปลี่ยนไปตามสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นในเราเอาละวันนี้ก็โมท น, นากับพวกเราเนี่ยก็ขอให้ความตั้งใจที่ต้องลานปรับตนเองเข้าหาประตราาธ ไม่ใช่ให้พระรัตนตรัยปรับเข้าห า, าตัวเองเาา น, นงงเ่เราต้องปรับตนเองเข้าหาพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยถึงจะคุ้มครองเราเราต้องปรับตนเองต้องเดินเข้าหาศีลศีลถึงจะคุ้มครองเราต้องเดินเข้อหาสุธานกุศลทานกุศลถึงจะคุ้มครองเราแม้ภาวนากุศลกันในยะเดียวกันขอความตั้งใจเริ่มต้นหรือตั้งใจมานานของเราที่เป็นไปกับคําสอนของพระเจ้าจงประสบ ความสมหวังด้วยกันทุกท่านทุกประการเถือ